พุทธธรรมฉบับปรับขยายชีวิตเป็นอย่างไรบทที่สไตรลักษณ์ลักษณะโดยธรรมชาติสามอย่างของสิ่งทั้งปวงตัวกฎหรือตัวสภาวะตามหลักพุทธธรรมเบื้องต้นที่ว่าสิ่งทั้งหลายเกิดจากส่วนประกอบต่างๆมาประชุมกันเข้าหรือมีอยู่ในรูปของการรวมตัวเข้าด้วยกัน ของส่วนประกอบต่างๆนั้นไม่ใช่หมายความว่าเป็นการนำเอาส่วนประกอบที่เป็นชิ้นชิ้นอันๆันอยู่แล้วมาประกอบเข้าด้วยกันและเมื่อประกอบเข้าด้วยกันแล้วก็เกิดเป็นรูปเป็นร่างคุมกันอยู่เหมือนเมื่อเอาวัตถุต่างๆมารวมกันเป็นเครื่องอุปกรณ์ต่างๆความจริงที่กล่าวว่าสิ่งทั้งหลายเกิดจากการประชุมกันของส่วนประกอบต่างๆนั้นเป็นเพียงคากล่าว เพื่อเข้าใจง่ายๆในเบื้องต้นเท่านั้นแท้ที่จริงสิ่งทั้งหลายมีอยู่ในรูปของกระแสส่วนประกอบแต่ละอย่างแต่ละอย่างล้วนประกอบขึ้นจากส่วนประกอบอื่นๆย่อยลงไปแต่ละอย่างไม่มีตัวตนของมันเองเป็นอิสระล้วนเกิดดับต่อ ก, กันไปเรื่อยไม่เที่ยงไม่คงที่กระแสนี่ไหลเวียน หรือดำเนินต่อไปอย่างที่ดูคล้ายกับรักษารูปแนวและลักษณะทั่วไปไว่ได้อย่างค่อยเป็นไปก็เพราะส่วนประกอบทั้งหลายมีความสัมพันธ์เนื่องอาศัยซึ่งกันและกันเป็นเหตุปัจจัยสืบต่อแก่กันอย่างหนึ่งและเพราะส่วนประกอบเหล่านั้นแต่ละอย่างล้วนไม่มีตัวตนของมันเองและไม่เที่ยงแท้คงที่อย่างหนึ่ง ความเป็นไปต่างๆทั้งหมดนี้เป็นไปตามธรรมชาติอาศัยความสัมพันธ์และความเป็นปัจจัยเนื่องอาศัยกันของสิ่งทั้งหลายเองไม่มีตัวการบางอย่างที่นอกเหนือออกไปในทนะยผู้สร้างหรือผู้บรรดาลจึงเรียกเพื่อเข้าใจง่ายๆว่าเป็นกฎธรรมชาติมีหลักธรรมใหญ่อยู่สองหมวดที่ถือได้ว่า พระพุทธเจ้าทรงแสดงในรูปของกฎธรรมชาติคือไตรลักษณ์และปฏิจจสมุปบาทความจริงธรรมะทั้งสองหมวดนี้ถือได้ว่าเป็นกฎเดียวกันแต่แสดงในคนละแง่หรือคนละแนวเพื่อมองเห็นความจริงอย่างเดียวกันคือไตรลักษณ์มุ่งแสดงลักษณะของสิ่งทั้งหลายซึ่งปรากฏให้เห็นว่าเป็นอย่างนั้นในเมื่อสิ่งเหล่านั้น เป็นไปโดยอาการที่สัมพันธ์เนื่องอาศัยเป็นเหตุปัจจัยสืบต่อแก่กันตามหลักปฏิจจสมุปบาทส่วนหลักปฏิจจสมุปบาทก็มุ่งแสดงถึงอาการที่สิ่งทั้งหลายมีความสัมพันธ์เนื่องอาศัยเป็นเหตุปัจจัยสืบต่อแก่กันเป็นกระแสะจนมองเห็นลักษณะได้ ว, ว่าเป็นไตรลักษณ์กฎธรรมชาตินี้ เป็นธาตุคือภาวะที่ทรงตัวอยู่โดยธรรมดาเป็นธรรมะทิฏฐิคือภาวะที่ตั้งอยู่หรือยืนตัวเป็นหลักแน่นอนอยู่โดยธรรมดาเป็นธรรมนิยามคือกฎธรรมชาติหรือกำหนดแห่งธรรมดาไม่เกี่ยวกับผู้สร้างผู้บรรดาหรือการเกิดขึ้นของศาสดาหรือศาสนาใดๆ กฎธรรมชาตินี้แสดงฐานะของศาสดาในความหมายของพุทธธรรมด้วยว่าเป็นผู้ค้นพบกฎเหล่านี้แล้วนำมาเปิดเผยจี้แจงแก่ชาวโลกในคำพีอภิธรรมรุ่นอัรถกถาแบ่งนิยามหรือกฎธรรมชาติเป็นห้าอย่างคือหนึ่งอุตุนิยามกฎธรรมชาติเกี่ยวกับอุณหภูมิ หรือปรากฏการธรรมชาติต่างๆโดยเฉพาะเรื่องลมฟ้าอากาศและฤดูกาลในทางอุตุนิยมอันเป็นสิ่งแวดล้อมสำหรับมนุษย์ 2. อพีชนะนิยามกฎธรรมชาติเกี่ยวกับการสืบพันธุ์รวมทั้งพันธุ ก, กรรม 3. จิตตานิยาม กฎธรรมชาติเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของจิต 4. กัมมานิยามกฎธรรมชาติเกี่ยวกับเจตจำนงและพฤติกรรมมนุษย์คือกระบวนการให้ผลของการกระทำและ 5. ธรรมนิยามกฎธรรมชาติเกี่ยวกับสภาวะแห่งธรรมดาทั่วไปเฉพาะอย่างยิ่ง ความสัมพันธ์และความเป็นเหตุเป็นผลแก่กันของสิ่งทั้งหลายสำหรับไตรลักษณ์นั้นมีพุทธพจน์แสดงหลักไว้ในรูปของกฎธรรมชาติว่าดังนี้ตถาคตทั้งหลายหมายถึงพระพุทธเจ้าจะอุบัติหรือไม่ก็ตามธาตุหลักนั้นก็ดำรงอยู่ เป็นธรรมมาทิติเป็นธรรมนิยามว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมะทั้งปวงเป็นอนัตตาถ้าหาคตรสัสรู้เข้าถึงหลักนั้นแล้วจึงบอกแสดงวางเป็นแบบตั้งเป็นหลักเปิดเผยแจกแจงทำให้เข้าใจง่ายว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ ธรรมะทั้งปวงเป็นอนัตตาไม่เป็นไม่มีอน ต, ตาในพุทธพจน์ที่ตรัสแสดงหลักนี้เรียกแต่ละข้อว่าธาตุธรรมตทิตตาธรรมนิยามตาในภาษาไทยเรียกเป็นธรรมาธาตุธรรมทิติธรรมนิยามส่วนไตรลักษณ์เป็นคำที่ใช้กันในคำภีตั้งแต่ชั้นอัตถกาถาลงมา และในอัธกขานั้นบางทีเรียกว่าสามัญลักษณะในฐานะเป็นลักษณะร่วมที่มีแก่สิ่งทั้งหลายเป็นสามัญเสมอเหมือนกันคือทุกอย่างที่เป็นสังคตะเป็นสังขารล้วนไม่เที่ยงคงทนอยู่ไม่ได้เสมอเหมือนกันทั้งหมดทุกอย่างที่เป็นธรรมไม่ว่าสังคตหรือสังขารหรืออสังคตคือวิสังขาร ก็ล้วนไม่ใช่ตนไม่เป็นอัตตาเสมอกันทั้งสิน้นคำว่าสังขารในไตรลักษณ์นี้ต้องเข้าใจว่าต่างกับคําว่าสังขารในขันห้าในขันห้าสังขารคือความดีความชั่วที่ปรุงแต่งจิตใจเป็นนามธรรมอย่างเดียวส่วนในไตรลักษณ์สังขาร คือสิ่งทั้งปวงที่เกิดจากปัจจัยปรุงแต่งหรือที่เกิดจากส่วนประกอบต่างๆประชุมกันเข้าจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมก็ตามคือเท่ากับขันห้าทั้งหมดเพื่อความเข้าใจง่ายๆจะแสดงความหมายของไตรลักษณ์โดยย่อดังนี้ 1. อนิจจตา ความไม่เที่ยงความไม่คงที่ภาวะที่มีแล้วไม่มีความเกิดขึ้นแล้วดับหายภาวะที่เกิดขึ้นแล้วสลายไป 2. ทุกขตาความเป็นทุกข์ความไม่คงตัวภาวะที่คงอยู่ไม่ได้ภาวะที่ถูกบีบคั้นด้วยการเกิดขึ้นและสลายไป ภาวะที่กดดันฝืนและขัดแย้งอยู่ในตัวเพราะปัจจัยที่ปรุงแต่งให้มีสภาพเป็นอย่างนั้นเปลี่ยนแปลงไปจะทำให้คงอยู่ในสภาพนั้นไม่ได้ภาวะที่ไม่สมบูรณ์มีความบวกกรองอยู่ในตัวไม่ให้ความสมอยากแท้จริงหรือความพึงพอใจเต็มที่แก่ผู้อยากด้วยตัณหาและก่อให้เกิดทุกแก่ผู้เข้าไปอยากเข้าไปยึดด้วยตัณหาอุปาทาน สอนัตตาความเป็นอนัตตาความไม่เป็นตัวความไม่ใช่ตัวตนความไม่เป็นไม่มีตัวตนจริงแท้ที่จะเป็นเจ้าของครอบครองสั่งบังคับให้เป็นไปอย่างไรอย่างไรได้สิ่งทั้งหลายทั่วไปมีอยู่เป็นไปในรูปของกระแสที่ประกอบด้วยปัจจัยต่างๆอันสัมพันธ์เนื่องอาศัยกัน เกิดดับสืบต่อกันไปอยู่ตลอดเวลาไม่ขาดสายจึงเป็นภาวะที่ไม่เที่ยงเมื่อแต่ละสิ่งแต่ละส่วนที่สัมพันธ์กันเกิดดับไม่คงที่และเป็นไปตามเหตุปัจจัยที่อาศัยก็ย่อมมีความบีบคั้นกดดันขัดแยง้งและแสดงถึงความบกพร่องไม่สมบูรณ์อยู่ในตัวและทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นไปในรูปกระแสที่เกิดดับอยู่ตลอดเวลา ขึ้นต่อเหตุปัจจัยเช่นนี้ก็ตามไม่ขึ้นต่อเหตุปัจจัยก็ตามก็มีภาวะที่เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นตามธรรมดาของมันอยู่แล้วจึงย่อมไม่เป็นไม่มีตัวตนอะไรที่เหมือนกับมาแฝงมาซ้อนมาคุมดังเป็นเจ้าของครอบครองสั่งบังคับให้เป็นไปอย่างไรอย่างไรได้ตามที่ปรารถนาในกรณีของสัตว์บุคคลให้แยกว่า สัดบุคคลนั้นประกอบด้วยขันห้าเท่านั้นไม่มีสิ่งใดอื่นอีกนอกเหนือจากขันห้าเป็นอันตัดปัญหาเรื่องที่จะมีตัวตนเป็นอิสระอยู่ต่างหากจากนั้นหันมาแยกขันห้าออกพิจารณาแต่ละอย่างแต่ละอย่างก็จะเห็นว่าขันทุกขันไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงก็เป็นทุกเป็นสภาพบีบคั้นกดดันแก่ผู้เข้าไปยึด เมื่อเป็นทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวตนที่ว่าไม่ใช่ตัวตนก็เพราะแต่ละอย่างแต่ละอย่างล้วนเกิดจากเหตุปัจจัยไม่มีตัวตนของมันเองอย่างหนึง่งเราะไม่อยู่ในอำนาจไม่เป็นของสัตว์บุคคลนั้นแท้จริงอย่างหนึง่งคือถ้าสัตบุคคลนั้นเป็นเจ้าของขันห้าแท้จริงก็ยอมต้องบังคับเอาเองให้เป็นไปตามความต้องการได้ และมาให้เปลี่ยนแปลงไปจากสภาพที่ต้องการได้เช่นไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บป่วยเป็นต้นพุทธพจน์แสดงไตรลักษณ์ในกรณีของขันห้ามีตัวอย่างที่เด่นดังนี้ภิกษุทั้งหลายรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตา อากรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจะเป็นอัตตาคือตัวตนแล้วไซมันก็จะไม่เป็นไปเพื่ออาพาธทั้งยางจะได้ตามปรารถนาในรูปลาจนถึงในวิญญาณว่าขอรูปขอเวทนาขอสัญญาขอสังขารขอวิญญาณของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยแต่เพราะเหตุที่รูป จนถึงวิญญาณเป็นอนัตตาฉะนั้นรูปจนถึงวิญญาณจึงเป็นไปเพื่ออาพาธและใครๆไม่อาจได้ตามความปรารถนาในรูปจนถึงวิญญาณว่าขอรูปขอเวทนาขอสัญญาขอสังขารขอวิญญาณของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายมีความเห็นเป็นไนะรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงในที่นี้ตรัสถามทีละอย่างจนถึงวิญญาณไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะเฝ้าเห็นสิ่งนั้นว่า นั่นเป็นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นตัวตนของเราไม่ควรเห็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแลรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันทั้งภายในและภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตทั้งที่ไกลและที่ใกล้ ทั้งหมดนั้นเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันถูกต้องตามที่มันเป็นว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่ใช่นั่นนั่นไม่ใช่ตัวตนของเรามีปราชญ์ฝ่ายฮินดูและฝ่ายตะวันตกหลายท่านพยายามแสดงเหตุผลว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงปฏิเสธอัตตาหรืออัตมันในชั้นสูงสุด ทรงปฏิเสธแต่เพียงธรรมะที่ปรากฏการต่างๆอย่างเช่นในพระสูตรนี้เป็นต้นทรงปฏิเสธขันห้าทุกอย่างว่าไม่ใช่อัตตาเป็นการแสดงเพียงว่าไม่ให้หลงผิดยึดเอาขันห้าเป็นอัตตาเพราะอัตตาที่แท้จริงซึ่งมีอยู่นั้นไม่ใช่ขันห้าและยกพุทธพจน์อื่นๆมาประกอบอีกมากมาย เพื่อแสดงว่าพระพุทธเจ้าทรงปฏิเสธเฉพาะธรรมะที่ปรากฏการต่างๆว่าไม่ใช่อัตตาแต่ทรงยอมรับอัตตาในขั้นสูงสุดและพยายามอธิบายว่านิพพานมีสภาวะอย่างเดียวกับอัตมันหรือว่านิพพานนั่นเองคืออัตตาเรื่องนี้ถ้ามีโอกาสจะได้วิจารณ์ในตอนที่เกี่ยวกับนิพพานในขั้นนี้แค่ชี้หลักไว้ง่ายๆ คือความจริงก็ชัดเจนอยู่ทุกเวลาว่าสิ่งทั้งหลายมีสภาวะของมันเองอยู่แล้วจึงย่อมมีอัตตาไม่ได้และสิ่งทั้งหลายจะมีอยู่เป็นอยู่ตามภาวะของมันอย่างนั้นอย่างนั้นได้ก็ต้องไม่มีอัตตาถ้ามีอัตตาสิ่งทั้งหลายก็ดำรงสภาวะของมันอยู่ไม่ได้คือเป็นอยู่เป็นไปตามภาวะของมันที่เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นไม่ได้ ส่วนในที่นี้ขอกล่าวสั้นๆเพียงในแง่จริยธรรมว่าอุทุชนโดยเฉพาะผู้ที่ได้รับการศึกษาอบรมมาในระบบความเชื่อถือเกี่ยวกับเรื่องอัตมันย่อมมีความโน้มเอียงในทางที่จะยึดถือหรือจะไขว่คว้าไว้ให้มีอัตตาในรูปหนึ่งรูปใดให้จงได้เป็นการสนองความปรารถนาที่แฝงอยู่ในจิตส่วนลึกที่ไม่รู้ตัว จะต้องสูญเสียความรู้สึกว่ามีตัวตนในรูปหนึ่งชั้นขันห้าไปก็พยายามยึดหรือคิดสร้างเอาที่เกาะเกี่ยวอันใหม่ขึ้นไว้แต่ตามหลักพุทธธรรมนั้นไม่ได้มุ่งให้ปล่อยอย่างหนึ่งเพื่อไปยึดอีกอย่างหนึ่งหรือพ้นอิสระจากที่หนึ่งเพื่อตกไปเป็นทาตอีกที่หนึ่ง อาการที่สิ่งทั้งหลายมีอยู่ในรูปกระแสมีความสัมพันธ์เนื่องอาศัยเป็นปัจจัยสืบต่อกันและมีลักษณะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างไรยังจะต้องอธิบายด้วยหลักปฏิจจัสมุกบาทต่อไปอีกความจึงจะชัดยิ่งขึ้น